อธโทซาายัสัมมันเตหิสกจังธรรมัมโมโสตโบติณโอกาสนี้จะได้น้อมนำเอาธรรมะของสมเด็จพระภูทมีพระภาคาอารหันตะสัส ม, มาสัมพุทธเจ้ามาแสดงในเรื่องกรรมซึ่งเราประสบพบเห็นมาเมื่อวันที่ยี่สิบแปดเดือนที่แล้วนี้ โลกในกระถางทั้งโลกรู้หมดว่าเกิดแผ่นดินไหวแล้วก็ภูเขาไฟระเบิดซึ่งมันเป็นกฎเกณฑ์กับธรรมชาติเกิดที่เมืองมันดะเลตึกหลามบ้านช่องล้มดะนเนลนาดเหมือนหนึ่งบ้านโดนระเบิดปรมาณูทีเดียวว่าอย่างนี้แล้วก็มารวมกันตายที่ตึกอะไร สอตงอออีกของเหล่านี้มันล้มลงมันลงล ง, ลงพื้นของเขาล้มไปอย่างนี้ล้มไปอย่างนี้ลมต่างกันอันนี้คือกรรมเนี่ยผลของกรรมธรรมชาติมันลงทันธรรมชาติมันพิโรธโลกของเหล่านี้มันอยู่บนน้ําแล้วก็ น้ำอยู่เหนือลมลมหนุนน้ำน้ำหนุนดินดินมีอากาศครอบทีนี้เมื่อลมลมมันจะปั่นป่วนอากาศธรรมดาแต่ถ้าหากมันหมุนไปรอบหนึ่งรอบหนึ่งตามสุริยะจักรวาลหรือตามอะไรก็แล้วแต่มันเป็นวัตถจักรของมันเรนโลกธาตุในจักรวาล น, นี้ในจักรวาลหนึ่งจักรวาลหนึ่งของเรานี่เรียกว่าสุริยะจักรวาล แล้วก็อีกโลกอื่นและเรืออื่นมันมันก็จะเปรี๊กลวนมันเมื่อลมปั่นป่วนขึ้นมาน้ำมันก็เพิ่มน้ำก็เพิ่มดินก็ปั่นไหวอันนี้คือธรรมชาตินานๆก็จะมีดังนั้นเหตุที่แผ่นดินฝ่ายไหวนี่มีแปดอย่างหนึ่งโดยธรรมชาติของมันทำให้โลกกระแทได้แตก สลายเป็นจุนมหาจุนดังที่พระพุทธเจ้าทำนายไว้ว่าโลกจะพินาศไปแล้วก็มีพระอาทิตย์เกิดขึ้นเจ็ดดวงเผ็ดเผาน้ำไม่เหือดแห้งไปแล้วก็เกิดลมพัดอะไรทานองนี้ตามที่พระพุทธเจ้าได้ตัดไว้แต่มันไม่เกิดกับพวกเราเราพวกเราต้องพยายามทำตัวเองให้เข้าถึงอริยมรรคอริยผลให้ได้ในชาตินี้ พอเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเราเวียนว่ายแต่เกิดมาเป็นแสนเศษชาติถึงจะได้มาเกิดจากสวรรค์ก็ลงไปนรกมันมันเวียนอยู่อย่างนี้นะ่ะจะไปคิดว่าจะได้กลับมาอีกเ้าไปจากมนุษย์เนี่ยถ้าทําให้ดีก็ไปลงไปนรกจากนรกก็ตกไปลงกี่คุมกี่ขุ้มผ่านมาก็มาปิดมาสุรกายจึงมาเดรลฉานหรืจึงเป็นมาเป็นมนุษย์ ที่เราลองเป็นมนุษย์อย่างเนี่ยไม่บ้าไม่ใบไม่หนงกไม่บอดไม่เสียใิผิดพนุษย์เรามาทําดีขึ้นการนั่งภาวนามารู้จิตรู้ใจของตัวเองนี่แหละนั่งภาวนาเนี่ยจะต้องมาไปที่มาเลเซียฝึกให้เขานั่งกําหนดลมหายใจเข้ากําหนดลมหายใจออกหรือใครถนัดว่ายุบหนอพองหนอ่อเก่เาตามนั้นมันเป็น อารมณ์ของกรรมฐานแต่ลมหายใจนี้เพราะเราลมเราหายใจตลอดหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวนี้ทางแพทย์ก็บอกว่าทําให้สุขภาพดีขึ้นเต่าอายุยืนเพราะเต่าหายใจยาวหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวเต่าอายุยืนสามร้อยปีช้างอายุยืนร้อยกว่าปีคนเราอายุยืนแค่ร้อยเป็นลักษณะอย่างนี้ เพราะนั่นจะพูดถึงเรื่องกรรมในมีแปดประการกรรมเป็นโดยธรรมชาติอันที่สองเกิดจากผู้มีฤทธิ์ในผู้มีฤิตรหรือฤาษีชีภัยหรือผู้มีคุณมีบุญบุญหนักสักใหญ่มีอะไรขึ้นมามันก็จะเกิดธรรมชาติจะช่วยธรรมชาติจะปรากฏการได้เห็นแผ่นดินไหวจากผู้มีฤทธิ์เพ่งกสิน พอเพียงกระสินก็ไหวแต่ว่าไม่ทำความเดือดร้อนให้แก่ ม, มนุษยาศาตรต่างจากธรรมชาติธรรมชาตินี่เราจะไปบังคับอะไรไม่ได้ผู้มีผู้มีฤทธิ์ผู้มีฤทธิ์ก็คือมีใจที่สงบแล้วใจเป็นสมาธิได้ถึงขั้นชาญสามารถที่จะทำทำอิทิฤต อิทธิปฏิหารนี้ได้เพ่งกระสินเข้าไปกระสิปฐวีกรสินก็สามารถที่จะทำให้เกิดนี่คืออำนาจสมาธิแล้วทีนี้อันที่สามพระโพธิสัตว์จะจุติลงมาเกิดแผ่นดินก็ไหวให้เห็นว่าแม้กระทั่งฟ้าดินก็จังเป็นใจว่าผู้มีบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะลงมา แล้วก้อนที่สามพระโพธิสัตว์ประสูติจากการของมันดาที่ <c oughs> แลอนะ้อันที่ห้าที่นะอันที่หนึ่งธรรมชาติอันที่สองผู้มลิติอันที่สามพระโพธิสัตว์จุติอันที่สี่พระโพธิสัตว์ประสูติอันที่ห้าพระโพธิสัตว์ตัดสรูป <c oughs> แล้วก็อันที่หกพระโพธิเจ้าแสดงปฐมเทศนาอันที่เจ็ดพระพุทธเจ้าทรง ป, ร 7, พรพ ง, ปรงพระชนมายุสังขารอันที่แปดพระพุทธเจ้าปฏิทิานมีแปดระการแล้วทีนี้ผู้มีบุญอีกอย่างหนึ่งไปนาะที่ใดก็เกิดความร่มเย็นทำพิธีกรรมและพิธีนั้นเป็นมงคลมหามงคลแม้กระทั่งเทวดาก็รับรู้ ฝนเมฆก็จะไหลมารวมกันบดบังพระอาทิตย์ให้บริเวณนั้นร่มเย็นในพิธีที่เราทำหรือตลอดผู้มีบุญไปนะัที่ใดก็ฝนโปรยโปร ย, ปรยเหมือนน้ำมนต์จากทิพอันนี้ก็คือผู้มีบุญต่อไปนะัดที่ใดแล้ว เ, เกิดความร่มเย็นฝนตกโปรยโปรยอย่างหนึ่งคือผู้มีบุญคนมีบุญไปรวมกันนี่มันเกิดขึ้นอย่างนี้บุญนะ พวกเรามีบุญทุกคนอย่าพิคิดว่าไม่มีบุญไม่ได้มานั่งภาวนานั่งปฏิบัติธรรมทำตามคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเป็นคนมีบุญแล้วเนึ่งนั่งภาวนาให้จิตสงบเพียงนาทีหนึ่งก็สามารถที่จะทําให้จิตใจของเราหรือว่าสติของเราเนี่ยมันจะซึมซับเวลาใกล้จะตายจะเกิดอาสรรณกรรมให้เราระลึกถึงจุดนี้ได้ เนี่ยเพราะฉะนั้นที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ก็พยายามพยายามฝึกจิตของเราให้นิ่งเราจะมากไม่เอาอะไรมากให้เอาฝึกจิตให้นิ่งให้เป็นให้นิ่งให้สงบแล้วให้เป็นสมาธิมันนิ่งนะนิ่งได้ทุกคนเอาบอกว่านิ่งเงียบอย่าพูดกันน่ะนิ่งได้แล้วเนี่ยกายวาจาน่ิ่งแล้วเอาใจนิ่งตั้งใจฟังพอตั้งใจฟังก็นิ่งแล้วทีนี้สงบ ต้องมีองค์ประกอบหายใจเข้าหายใจออกเจริญอาณาปานุสติให้มันถนัดเพราะว่าทุกคนหายใจตลอดเวลากลารอยู่อย่างนี้ทำอยู่อย่างเงี้ยจิตก็แล้วสบายสบา ย, บายจิตสบายนะมันมันจิตสบายแล้วกับปิติธรรมก็เกิดขึ้นอะไรอะไรมันก็เกิดขึ้นข้อสําคัญขอเองมีปิติธรรมแล้วนั่งสบายไม่ทุรนทุรายนี่ใช้ได้แล้วถ้าทำอย่างนี้แล้วจิตสงบ ทีนี้จิตเป็นสมาธินั่นะเริ่มแล้วทีเนะ่ะจิตเป็นสมาธิสักมันสงบสักพักหนึ่งเราพยายามกําหนดลมหายใจเข้ากําหนดลมหายใจออกอยู่สักพักหนึ่งก็จะเกิดภาวะขึ้นมาว่าเหมือนหนึ่งตัวจะเก่งไปทั้งตัวก็มีอันนี้เรียกว่ามันเป็นปิติอันหนึงหรือบางทีลอยเหมือนมันใจเบาใจใจกับเบากายก็เบ า, เบ า, เบาหรือซึ่งสุขสบาย ปิติกับสุขเกิดขึ้นมานี่แสดงว่าท่านถึงอุปจ า, าราสมาธิได้ถึงนี่นะถึงแม้มันผุดผุดหวันดับดับเกิดเกิดเกิดเกิดดับดับก็บบต่างแต่ว่าท่านได้แล้วภาวะหนึ่งแล้วไม่ต้องไปเสียไม่ต้องไปตกใจว่าบัณตว่าตัวเองไม่มีบุญได้บุญแล้วอันเนี้ยมันได้แล้วแต่ว่าพยายามทำไปทีนะ ใช้ความพยายามตัวนี้ใช้ความพยายามกับสติสองตัวสติต้องตั้งมั่นอยู่เลยเราเมื่อมีสติตั้งมั่นจิตนิ่งแล้วบางคนก็นั่งไม่ทนต้องทนให้มันพ้นจากสุขตปิติกับสุขไปให้บรรถุงเอกขัตตานี่เรียกว่าเราได้ทํากรรมดีแล้วนะกรรมมูลไอ้กรมมังสเตวิพัทสติกรรมจ้องจำแนก สัตให้เป็นไปต่างๆแล้วทีนั้นเราต่างจากผู้ทุชนมาเป็นสามั ญ, ญชนแล้วเป็นอย่างเนี้ยเราได้แล้วเรานั่งภาวนาอย่างนี้ค่ะบเพราะนั้นมีคนเขก็ถามมาเอ้ยพมา่ามันทํามันบ้านเมืองพัทงทลายทั้งเมืองทั้งนั้นอยู่อย่างนั้นก็กรรมมโนวัตติโลโกโลแล้วก็ที่ตึกสตงอนี้กับพมา่าก็เยอะตายกันเยอะ น่าเป็นนายพระมาะสมัยกรุงศรียุธยาเป็นราชธานีพระมาะเคยมาลบเราข้าวฟันลันแทงคนกวาดต้อนคนทั้งเจ้าเจ้านายทั้งหลายเด็กวาดต้อนไปเป็นเฉลยการไปเป็นเฉลยคนนั้นเป็นอย่างไรเดินไม่มีข้าวไม่มีน้ําจะกินอะไรอดอดอยากอยกนอนกลางดินกินกลางสายไปบางทีก็ข้าแกงกันคมขืนกัน สารพัดสารพั น, พนคิดดูสิละ่ะจิตใจมันขนาดไหนไปเป็นเฉลยเขาอยู่ที่นั่นเดี๋ยวนี้ยังค้างอยู่เมืองพงมา่ามันก็ยังมีนะคนใดจากกรุงศรีอยุธยาไปแล้วพมา่ามาลบทําลายกรุงศรีอยุธยาจนพระเจ้าตากสินนั้นตั้งกรุงอีกไม่ได้อีกต้องย้ายมากรุงธนบุรีเพราะมันยับเยินไปหมดก็ไม่ต่างอะไรกับ มันด่าเลโอมันพังกันเดีย๋ยวนี้สบมินกันทั้งเมืองแก้ไขกันไม่ได้การค้นหากันไม่มีไม่มีเครื่องมือทันสมัยเหมือนเมืองไทยเราคนก็ไปช่วยก็ไม่มามันเป็นรัฐบาลทหารจะทำอะไรก็ไม่ได้ถนนหุนทางโดนตัดขาดถนนก็พังไปหมดเป็นแถบๆไปหากันก็ไม่ไ้ป่านนี้ก็ยังไม่มีใครไปช่วยเหลือกันเลย กนักคิดดูเอาเรืของเราสบายสบายอยู่นะมันเป็นบุญเหลือหลายแล้วเราเกิดมาในยุคเทพวดามเาเกิดแล้วเพราะเราจะต้องพยายามฝึกจิตของเราให้ดีเอาจิตนี่แหละทีนี้การฝึกจิตนะจิตเข้าไปถึงอุปจารสมาธิมีความสุขมีมีเบากายเบาใจนั่งสบายได้แต่มันจะไม่ทนเพราะเราไม่พยายาม่ ต้องพยายามก็คือวิริยะต้องมีวิริยะถ้ามีสติก็จะต้องบังคับให้มีวิริยะให้นั่งทนถ้ามันนั่งมันนั่งไม่ทนก็หาอุบายทีนี้หาวิธีหายใจเข้าหายใจออกนับหนึ่งก็นั่งนับไปนั่งนับไปได้สิบนาทีก็หนึ่งนาทีเอ็มได้สิบครั้งก็หนึ่งนาทีนับได้ร้อยครั้งก็ได้สิบนาทีอราจะมาไปใช้กับพวก มาเลยเขาก็นับไปนับมาคนนั่งไม่ได้เขาก็มาถามทีนะเมื่อก่อนนั่งไม่ได้พอนะไปอย่างนี้ก็มันนั่งไปได้จนกระทั่งเลยเขาก็บอกว่าโอ้นี่นหละก็คืออุบายอุบายเพื่อบังคับให้เราได้ฝึกให้มันนั่งได้นานเป็นลักษณะอย่างนี้เพราะนั้นมีสติถ้ามีสติตัวเดียวเนี่ยมันจะคุมอินทรีย์ทั้งห้า อินทรีย์คือศรัทธาอินทรีย์คือวิริยะแล้วก็อินทรีย์ก็คือสติอินทรีย์คือสมาธิและอินทรีย์คือปัญญาเมื่อสีตัวสติศรัทธาวิริยะสมาธิมันรวมเป็นหนึ่งแล้วนั่นแหละช่องทางเกิดปัญญามันก็จะเกิดขึ้น เพราะนั้นการพิจารณาเนะพิจารณาสังขารร่างกายนะพิจารณาไม่ได้ก็พิจารณาธาตุลมก่อนพิจารณาธาตุลมให้จัดเจนก็คือให้รู้จักลมลมเข้าลมออกพอพอจิตมันนิ่งเข้าไปมันก็จะเห็นไปมันก็จะปรากฏจบที่มันนิ่งลงไปถึงอั ป, ปนาสมาธิพอถึงอั ป, ปนาสมาธิมันจะนิ่งเลยไม่มีความรู้สึกว่ากาย ว่ามีกายแม้กระทั่งลมหายใจก็หายใจละเอียดมันแผ่วๆละเอียดขึ้นมันนิ่งอยู่อย่างเดียวลักษณะอย่างนี้สามารถที่จะนั่งได้เป็นวันสามารถที่อยู่ได้หรือมิฉนั้นก็สามารถจะเพ่งตัวเองแล้วให้จิตนั้นออกเพ่งลงไปนะจิตมันก็จะออกออกอยู่ตั้งหากบางคนก็มองเห็นตัวเองนั่งอยู่นะแสดงว่าจิตออกโดยธรรมชาติ แต่้าจิตออกด้วยมีสติคือกับที่มีสมาธิเรียกว่าฌานออกไปโดยฌานก็ออกไปออกไปอย่างนั้นจิตของเราออกไปมันก็คล้ายๆว่ามันมีร่างอีกร่างหนึ่งาเป็นร่างทิพเป็นร่างโปร่งใสที่ในสายหลวงพ่อดูสีลิงดำก็ว่ากายทิพ ลงพ่อสดก็ว่าอะไรอธิสมานากายอะไรทําลองที่ว่า ก, กันนั่นแหละมันก็คือกายทิพย์จะให้ถึงกายทิพย์มันจะไปยากมันก็อะไรจิตของเราให้มันนิ่งมันก็เข้าไปถึงแล้วแม้เราฝันอยู่เนะเราฝันใส่เสื้อผ้าใหม่ๆไปนะจิตมันก็ไปอาศัยอธิสมานากายไปอาศัยกายทิพย์นั่นเองมันถอดออกไปโดยธรรมชาติ ส่วนร่างกายตัวนี้ธาตุดีธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมันก็นอนอยู่กับที่นอนแต่จิตมันออกไปอันนี้ก็เหมือนการ น, นั่งภาวนานถึงไปถึงขั้นเสียก่อนถึงขั้นมันก็ออกไปการเป็นจิตออกจากร่างไปก็ไปมันมีก็มีกายของมันในในสัมภารในในโลกของวิญญาณก็เป็นกายที่ปุ่งใส เพราะนั้นร่างกายของเราเนี่ยครูบาอาจารย์สอนแล้วก็พระผู้รู้ท่านสอนว่าแม้เรานั่งภาวนาเราก็เห็นบางคนก็นั่งภาวนาเห็นตัวเองการเห็นตัวเองอยู่ก็แสดงว่าอีกกายหนึ่งหรือจิตกายในนั่นเองออกไปก็มองหรือตัวตัวมองเห็นตัวเราอย่างนี้ธรรมะไม่ต้องเอาเอาอัดเอาทําอะไรมากเอาธรรมะก็คือสติ ให้มีสติตั้งมั่นนะสติตั้งมั่นสติมั่นคงสติคงที่รู้กันแล้วอย่างสติตั้งมั่นคืออะไรสติตั้งมั่นคือเอาไว้จุดใดจุดหนึ่งแล้วก็ไม่ลืมมีตั้งมั่นถ้าสติมั่นคงนะภาวธรรมเกิดขึ้นกับบุคคลที่มีสติตั้งมั่นแล้วสติคงที่หลับพอเราหายใจเข้าหายใจออกภาวธรรมเข้ามาสติพร้อมอะไรพร้อม มันเป็นของมันเองโดยอัตโนมัติเราต้องฝึกกันอยู่เรื่อยๆอย่างนี้นะเพราะนั้นเรื่องกรรมเรื่องกรรมนี่คือการกระทำนี่เราก็ททำกรรมอยู่เนี่ยมนุษย์เราเกิดมานี่มาเกิดมาเพื่อเสวยผลแล้วก็สร้างกรรมเสวยผลบุญของเราที่ได้ทำมาแล้ว เราเป็นคนมีบุญอยู่ดีมีสุข ย, ยิ่งทุกวันนี้เทคโนโลยีเขามาช่วยก็เรียกว่าของทิพย์ในโลกมนุษย์เข้ามาช่วยแม้ต้องการเย็นความเย็นเย็นก็มาทันทีนะมีเครื่องปรับอากาศต้องการนั่งสบายก็มาทันทีแม้กระทั่งห้องน้ำสมัยก่อนในห้องน้ำเราก็ไปปล่อ ย, ลอยโล่งเหมือนอินเดียนั่นะนะโบราณนนะต่อมาก็มีห้องน้าอะไรเป็น เป็นนั่งยองๆแล้วก็ทำอะไรกินก็เหม็นอะไรก็เหม็นแต่มาทุกวันนี้สะอาดสะอ้านมีเครื่องชักโครกไม่อะไรพร้อมเสร็จเป็นของส่วนตัวอีกต่างหากทั้งที่กินที่นอนที่ขับถ่ายพร้อมบริบูรณ์เหมือนเป็นของทิพสะอาดสะอ้านที่นอนก็สะอาดสะอ้านห้องหับก็สะอาดสะอ้านแล้วมันไปเป็นทิพอย่างไงนะคนมีบุญแล้วเนี่ย<ม>เกิดมาในยุคที่มีบุญยุคก่อน จะต้องเดินเท้าเปล่ารองเท้าก็ไม่มียุคนี้มีพร้อมเสร็จทุกสิ่งทุกอย่างมีพร้อมเสร็จจะไปไหนมาไหนก็ไปมีพร้อมเสร็จอาหารการกินก็มีพร้อมเสร็จทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นมาคนมีบุญเพราะนั้นอาศัยบุญนี่แหละเป็นเป็นเรือเป็นสะพานให้เราไปสู่บุญอันยิ่งไปสู่ไปไปสู่ภาวะบุญอันยิ่งใหญ่หรือมาหาบุญ มหาปุญโยผู้มีบุญใหญ่ทีนี้มหาปุญโญผู้มีบุญใหญ่คืออะคือการฝึกจิตให้เป็นสมาธิให้เกิดปัญญานี่แหละเอาเพียงแค่นี้เอาอินทรีห้าของเราเนะบ่มอินทรีห้าของเราเนะี่ยมันได้บ่มอินทรีห้าเอาตัวสติก่อนเมื่อสติได้ก็เกิดสมาธิเมื่อสติมั่นก็เกิดสมาธิเมื่อมีสมาธิก็เกิดปัญญาขึ้นมาเนี่ยสามตัวเกิดขึ้นมาแล้ว ก็พยายามฝึกศรัทธาแล้วก็วิริยะอันนั้นต้องขม่มต้องอดทนศรัทธามันเกิดขึ้นอยากนั่งแต่ว่าวิริยะคือความภาคเพียรเนี่ยมันจะลดหย่อนถ้าไม่บังคับหน่อยต้องบังคับเมื่อเราบังคับแล้วมันก็จะเกิดผลเนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้กรรมเนี่ยมันไม่ไปไหนเลยนั่นเห็นไห นี่นะเอาเพียงแค่สองสองจุดนี่แหะพะม่ามารบไทยล้างกรุงศรีอยุธยาจนก็สร้างสร้างไม่ได้ต้องกลับมาสร้างกรุงธนบุรีสมเด็จ พ, พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกจึงไปจำลองมาคนไทยเรายุคนคนอยุธยาอาอยุธยาไม่ได้เคยสิ้นคนดีน ก็สามารถช่างทั้งหลายแหล่ก็ปรปับปรุงมาสร้างพระบรมมหาราชวังเอามาเสี้ยวเดียวของกงรุงศรีอยุธยาที่เห็นอยู่กลายเป็นมรดกของชาติไทยและบือลือลั่นไปนทั่วโลกให้เขาเห็นอยู่ทุกวันเนี่นเนี่ยเพราะนั้นเราโดยล้างผ่านมาเพราะนั้นกรรมมันก็เลยตอบแทนอันนี้คิดเป็นเป็นอย่างนี้มันเป็นผลอยู่อย่างนี้นะ่ะเพราะนั้น ญาติโยมทั้งหลายวันนี้เราก็ได้ทำบุญสงกรานต์กอนไข่หมดแล้วก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ญาติพี่น้องของเราเราก็ได้ทำกันแล้วแม้เราไม่ถึงวันสงกรานต์เราจะทำอีกก็อีกส่วนหนึ่งเป็นจารีตประเพณีของไทยเรา แต่ขอฝากไว้กับญาติโยนทั้งหลายผู้เป็นญาติธรรมแล้วก็ชมลมพุทธสนพุทธศาสตร์ของอของ อ, องค์การโทรศัพท์แห่งชาติของเรานี้นะเราทำกันดีมาเห็นนั่งกันพร้อมมองดูแล้วการที่จะเข้าถึงอริยมรรคก็ไม่ยากหรอกพิจารณากายของเราให้เห็นตามเป็นจริง ให้เห็นว่าสภาวะร่างกายมันไม่ใช่ของเรามันไม่มันบังคับไม่ได้เรารู้ไหมว่ามันบังคับไม่ได้ปวดแข้งปวดขารู้ว่าไม่มีพนารู้ว่าเป็นทุกข์เพียงแต่เรารู้ว่ามันเป็นทุกข์บังคับไม่ได้แต่ไกลมันก็ยังยึดมั่นถือมั่นอยู่ว่าเป็นนิ้วมือของเราเป็นกายของเราหน้าของเราหัวของเราผมของเราผมก็ยังลักสวยรักงามอยู่หน้าตาก็จะให้มันเครี้งเก่าอยู่ แต่อันนี้มันเป็นภาวะที่มันติดอยู่แต่ว่ารู้มีธรรมะเกิดขึ้นคบว่ารู้ตามรู้ตามแล้วก็รู้แจ้งรู้ตามรู้ตามตัวอักษรรู้ตามคำสอนของครูบาอาจารย์ถ้ารู้แจ้งรู้ด้วยตัวเองให้าให้พิจารณาพิจารณาลมเนี่ยมันสบายไหมลมขึ้นเบื้องบนลมลงเบื้องต่ำเป็นอย่างไรบ้างลมพัดในท้องในไส้เป็นอย่างไรบ้าง พิจารณาธาตุลมได้ก็มันก็จะพิจารณาธาตุไฟธาตุไฟในกายของเราไฟอ่อนเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยมันกร้อนขึ้นมาธาตุไฟเข้าไปเผาผลาญสิ่งแปลกปอมเข้ามาเพิ่มขึ้นเราธาตุดินธาตุดินก็ร่างกายของเราผายผมเพราะขาดอาหารก็เติมอาหารเข้าไปมันก็เต็มเราพิจารณาอยู่อย่างนี้แต่มันก็ยังติดอยู่นั่นแหละ ทีนี้วิจิกิจฉานะ ร, ารู้จักกรรมก็ไม่สงสัยในบาปบุญทำมันดำได้จริงอธิษฐานจิตลองดูทำบุญทำทานหลวงปู่มั่นให้นิยามระบาตมาอยู่เพราะว่าลึกถึงท่านอยู่เสมอจะได้สร้างรูปสร้างของหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาไว้พอละลึกถึงทีไรเขาเดี๋ยวนี้เอ สภาพคือมันรู้สึกมันจะขัดขัดขัดขึ้นมาปั๊บก็คล่องตัวแล้วลึกถึงบุรพาจารย์แล้วลึกถึงบุญคุณของครูบาอาจารย์แล้วลึกถึงคุณธรรมของท่า น, านก็จะปรากฏเพราะท่านจะช่วยไปหมดคือบารมีธรรมนั้นมันเป็นคลื่นอยู่เครื่องมือของเราเราพัฒนาตัวเราเองมันก็รับได้ พระดาตัวเราก็คือน้นําส ร, ร้างเครื่องลับของเราก็ด้วยการมาฝึ ก, กจิตของเราให้เป็นสมาธินี่แหละมีอยู่แค่นี้เพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายท่านทั้งหลายก็ขอให้ฝึกสมาธิกันไปนั้นแหะดีแล้วดังนั้นสําหรับในวันนี้อาจารมาก็จะต้องเดินทางกลับเครื่องจะออกประมาณสิบห้านาฬิกาสิบนาทีที่นี้ก็เลยก็ให้ธรรมะแก่โยมก็คือสติ ให้มีสติแล้วก็นั่งภาวนากันเพราะเราเป็นครูมีบุญเราอย่าไปคิดว่าเราด้อยเป็นคนไม่มีบุญมีบุญพร้อมที่จะเป็นอริยาบุคคลได้ทั้งหมดทั้งในในชาตินี้ด้วยขอให้บ่มอินสีของเราเถอะบ่มอินสีคือบ่มศรัทธาบ่มวิริยะบ่มสติคือการนั่งภาวนามีสติจดจ่อจดจ้องแล้วก็สมาธิเกิดปัญญาเกิดเมื่อมีสติเราสมาธิก็เกิดปัญญาก็เกิด แล้วก็วิริยะกับศรัทธาเมื่อมีศรัทธาก็ข่มจะข่มวิณญาะให้นั่งอยู่ได้นานจะนั่งอยู่ได้นานก็พยายามฝึกบังคับด้วยการกําหนดลมหายใจเข้ากําหนดลมหายใจออกวันนี้จะนั่งสามสิบนาทีก็นับไปเลยไม่ได้จากสามร้อยสามร้อยครั้งเนี่ยก็ได้สามสิบนาทีแล้วนะบางคนเดินจงกรมทั้งวันทั้งคืนเนี่ยอันนี้ได้ปัญญานะ ปัญญาจะเกิดขึ้นแล้วก็จะเห็นร่างกายของเราว่าโอ้การเดินไปมันเป็นอย่างนี้มีอย่างนี้มันก็เกิดปัญญาขึ้นม า, ด, านนะดังนี้นะดังนั้นในนิสุดแห่งการกล่าวธรรมนี้ก็ขออนาจแห่งคุณพระศีรัตนไตรัรยคือพระพุทธพระธรรมและพระยาสงค์จ ง, จง ดลบันดาลให้แก่ท่านทั้งหลายด้วยอนุภาพแห่งพระทุพพระพุทธอนุภาพแห่งพระธรรมอนุภาพแห่งพระสงฆ์อนุภาพแห่งบุญอนุภาพแห่งเทวดาและบรารมีธรรมได้คุณธรรมของบุรพาจารย์ทั้งหลายมีหลวงปูเ่เสาหลวงปู่มั่นหลวงปู่ฟันท่านโบลีเป็นต้นจงเกิดเป็นพลังให้แก่ท่านทั้งหลายได้ดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงธรรมของสมเด็จพระสมมาสัมพุทธเ จ, จ้าเมื่อดำรงชีพยอยู่ในโลกนี้ขอมีความสุขก สบายจิตคิดสิ่งใดที่ไม่ผิดทั้งทางคดีโลกและกัตติธรรมขอให้สงความปรารถนาแก่ท่านจงทุกประการดังที่แสดงมาเอวังก็มีด้วยประการลัคนีสาธุ